เรื่องพรามผู้มีความเลื่อมใสมากพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากคนหนึ่งได้ยินว่าพราหมณ์นั้นได้ฟังธรรมเทศนาของพระศัสดาแล้วมีจิตเลื่อมใสมากนิมนต์ภิกษุรับบาตรวันละสิหรูปทุกวันแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ขอพระอระหันต์จงมาก็เพราะคํากล่าวด้วยวาทะว่าพระอระหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นที่เป็นปุถุชนคิดกันว่าพราหมณนี้ให้ความสําคัญว่าพวกเราเป็นอรหันต์ส่วนพวกที่เป็นขีณาศกก็คิดว่าพระามนี้ย่อมรู้ความที่พวกเราเป็นพระอระหันต์ภิกษุทั้งหมดต่างพึงรังเกียจคํานั้น แล้วไม่ไปสู่เรือนของพราหมณ์เขาเสียใจคิดว่าทําไมพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่มาจึงไปยังวิหารกราบบังคมทูลพระศัสดาถึงเนื้อความนั้นพระศัสดาตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธ อ, อยังยินดีด้วยวาทะว่าเป็นพระอรหันต์อยู่หรือพวกภิกษุทูลตอบว่า พกาพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าคะตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคำนั้นเป็นคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัตเพราะในคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสพรามีความเลื่อมใสในพระอรหันยิ่งนักก็ถ้าพวกเธอตัดกระแสแห่งตัณหาแล้วบรรลุพระอรหันนั่นแหลจึงควรดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่า ท่านพึงพยายามตัดกระแสตัณหาบรรเทากรมทั้งหลายเสียพึงรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วย่อมเป็นผู้รู้พระนิพพานในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายแล้วมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละ